ภิกษุเงื่อกายของเนื่องด้วยกายหรือโดยที่สุดแม้ด้วยกลีบอุบลต้องอบัดิปาจิตตี